โตปริยญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะกัการใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะ หรือปราศจากโทสะก็ร oh ู to ้ว ah ่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าหดหูหรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคกตก็รู้ว่าเป็นมหคกตหรือไม่เป็นมหคกตก็รู้ว่าไม่เป็นมหคกตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่า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 ข้อนี้จะเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุเจ็ดที่พระจักขุยานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีคิเลสเพียงดังเนินปราศ จ, จากความเศร้ามองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่น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 เปรียบเหมือนสระน้ำใสสะอาดไม่ขุนมัวบนยอดภูเขาคนตาดียืนที่ขอบสระนั้นเห็นหอยโขงและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุนมัวหอยโขงและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินและฝูงปลาเหล่านี้กาลังแหวกว่ายอยู่ก็มี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 อ้อนี้จะเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุสุพมานพประกาศตนเป็นอุบาสกมานพอริยะปัญญาขันธ์ที่พระผู้มีพระภาคประสันเสริญ และส่งให้ประชาชนสมาธานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างนี้ในพระธรรมวินัยนี้ไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยปัญญาขันธ์นี้อีกแล้วเขากล่าวว่าหน้าอาจจัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏอริยปัญญาขันธ์บริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอริยปัญญาขันธ์ที่บริบูรณ์อย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระศาสนานี้เลย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 คนมีตาดีจกเห็นรูปได้ข้าพระเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านอานน์โปรดจำเข้าพระเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสุภาษิตที่สิบจบ เจวัตสูตรว่าด้วยบุตรขะหบดีชื่อเจวัตะเรื่องบุตรขะหบดีชื่อเจวัตเข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของเปาวาริกะเศรษฐีเขตเมืองนาลันทาครั้งนั้นบุตรคะหบดีชื่อเจวัตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่งอยู่หน้าที่สมควรเรียกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนารันธามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นที่ล้วนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดมีพระบัญชาให้ภิกษุสักรูปหนึ่งที่พอจะแสดงอิทิปฏาฏิหารโดยอุตริมนุสธรรมได้ ซึ่งจะทําให้ชาวเมืองนานลันทาพากันเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคมากขึ้นสุดจะประมาณเมื่อเขากราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกวัตตาเราไม่ได้แสดงธรรมแก่พิสุอย่างนี้ว่ามาเถิดพวกเธอจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยอุตริมนุสธรรมแก่ครหัหผู้นุ่งห่มผ้าขาวแม้ครั้งที่สองบุตรคหะบดีชื่อเกวัตะก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้คาดคั้นพระผู้มีพระภาคเลยแต่ข้าพระองค์ขอกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนาลันทามั่งขัางอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นที่ล้วนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดมีพระบัญญัติ ให้ภิกษุสักรูปหนึ่งที่พอจะแสดงอิทธิปาติหารโดยอุตริมนุสธรรมได้ซึ่งจะทำให้ชาวเมืองนาลันทาพากันเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคมากขึ้นสุดจะประมาณแม้ครั้งที่สามบุตรขะหะบรดีชื่อเกวัตตะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้คาดคันพระผู้มีพระภาคเลยละถึง พากันเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคมากขึ้นสุดจะประมาณปฏิหาร3สาอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกวัตะเราทำให้แจ้งปฏิหาร3สามอย่างนี้ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงได้ประกาศให้รู้กันปฏิหารสมอย่างคืออะไรบ้างคืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหาร 1. อิทธิปาฏิหาร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 ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงโพรมโลกก็ได้ผู้นั้นจะบอกแกบุคคลผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหลือเกินเขาไปเจ้าเพิ่งเคยเห็นท่านนี้ที่แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้และถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรมโล ก, ก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้น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 เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้เพราะมีวิชานั้นเกวัตะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรผู้ที่ยังไม่ศรัท ธ, ธายังไม่เลื่อมใสจะพูดกับผู้ที่มีศรัท ธ, ธาเลื่อมใสอย่างนั้นหรือไม่เ<ฆ>ขากราบทูลว่าต้องพูดแน่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราเล็งเห็นโทษในอาเทศนาปฏิหารอย่างนี้จึงเหนื่อยน่ายระอา รังเกียรเรื่องอาเทศนาปาฏิหาร 3. อนุสาสนีปาฏิหารเจวัตตะก็อนุสาสนีปาฏิหารเป็นอย่างไรเคอพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่า ท่านจงตรึกตรองอย่างนี้อย่าตรึกตรองอย่างนั้นจงใส่ใจอย่างนี้อย่าใส่ใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดนี้จะเป็นอนุสาสนีปฏิหารอย่างหนึ่งยังมีอีกเกวตัตตะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบละถึงพึงนำข้อความเต็มในสามัญผลลสูตรมาใส่ไว้ในที่นี้ ภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลบรรลุปฐมฌานอยู่นี้จัดเป็นอนุสาสนีปฏิหารอย่างหนึ่งบรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุทิฌานอยู่น้อมจิตไปเพื่อ ย, ยานัทสนะนี้จัดเป็นอนุสาสนีปฏิหารอย่างหนึ่งและถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจเอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป นี้จัดเป็นอนุสาสนีปฏิหารอย่างหนึ่งเกวัตตะเราทำให้แจ้งปฏิหารสามอย่างนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้รู้กัน ภิกษุสแสวงหาความดับของมหาพูตรูปเกวะตะเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุรูปหนึ่งในหมู่ภิกษุเกิดความคิดคำนึงว่ามหาพูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนหนอทีนั้นแหละภิกษุจึงเข้าสมาธิถึงขั้นที่จิตตั้งมั่นจนเห็นทางไปเทวโลกครั้นแล เธอเข้าไปหาพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาพุทธรูปสี่คือปทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุย่อมดับสนิดที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้พวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาตอบว่าพวกเราไม่ทราบที่ที่มหาพุทธรูปสี่คือปทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุ ดับสนิทไปเหมือนกันแต่ท้าวมหาราชสี่องค์ซึ่งยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบทีนั้นเธอจึงเข้าไปหาท้าวมหาราชทั้งสี่องค์แล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมือ่อเธอถามอย่างนี้ท้าวมหาราชทั้งสี่องค์ตอบว่า แม้พวกเราก็ไม่ทราบ ท, ที่ที่มหาพูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่พวกเทพชั้นดาวดึงซึ่งยิ่งใหญ่และสําคัญกว่าพวกเราคงจะทราบทีนั้นเธอจึงเข้าไปหาพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาพูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุ ย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้พวกเทพชั้นดาวดึงตอบว่าแม่พวกเราก็ไม่ทราบที่ที่มหาภูตรูปสี่คือปทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่เท้าสักกะเทวราชผู้ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบทีนั้นเธอจึงเข้าไปหาเทา้าศักะเทวราชแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุ มหาพูตธรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้เท้าสักกะเทวราช ต, ตอบว่าแม้เราก็ไม่ทราบที่ที่มหาพูตธรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่พวกเทพชั้นยามาละถึงเทพบุตรชื่สุยามะพวกเทพชั้นดุสิต เทพประบชื่อสันดุสิทธิ์พวกเทพชั้นนิมมานรดีเทพประบุชื่อสุนิมิตรพวกเทพชั้นปรนิมมิตวัสวัตดีเทพบุตรชื่อวัสวัตดีซึ่งยิ่งใหญ่และสําคัญกว่าพวกเราคงจะทราบทีนั้นเธอจึงเข้าไปหาเทพบุตรชื่อวัสวัตดีแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาพูทธ ร, รูปสี่คือปทวีธาต์ อาโปธาตเตโชธาตและวายโยธาตย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้เทพบุตรชื่อวสวรดีตอบว่าแม้เราก็ไม่ทราบที่ที่มหาปุตรูปสี่คือปัทวีธาต์อาโปธาต์เตโชธาต์และวายโยธาต์ดับสนิทไปเหมือนกันแต่พวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมซึ่งยิ่งใหญ่และสาคัญกว่าเราคงจะทราบทีนั้นแหละ ภิกษุจึงเข้าสมาธิถึงขั้นที่จิตตั้งมั่นจนเห็นทางไปพรหมโลกครั้นแล้วเธอเข้าไปหาพวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปัตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้พวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมตอบว่า แม้พวกเราก็าไม่ทราบ ท, ที่ที่มหาพุตธรูปสี่คือปัตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่พระพรหมผู้เป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิด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 การที่แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาบปรากฏขึ้นนี้จัดเป็นบุพพนิมิตแห่งการปรากฏของเท้ามหาพรหมต่อมาไม่นานเท้ามหาพรหมได้ปรากฏพระองค์ขึ้นลำดับนั้นภิกษุนั้นเข้าไปหาเท้ามหาพรหมแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปัตวีธาตอาโปธาตเตโชธาแลวายโยธาย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้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 แม้เราก็ไม่ทราบที่ที่มหาภูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุดับสนิทเหมือนกันฉะนั้นการที่ท่านละเลยพระผู้มีพระภาคแล้วมาหาคำตอบเรื่องนี้ภายนอกนับว่าทำผิดนับว่าทำพลาดไปเถิดภิกษุท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหานี้และพึงจำไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ